สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะมีเรื่องราวแปลกๆค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาเล่าให้ฟังเรื่องของนางไม้มีจริงนะคะมักคอยช่วยเหลือผู้ที่นับถือซึ่งบางท้องถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยชายหนุ่มต้องแต่งงานกับนางไม้ตามธรรมเนียมสืบต่อกันมานะคะ เรื่องของตำนานนางไม้ค่ะมีคติความเชื่อของไทยสามารถแสดงฤทธิ์ทำให้คนเนี่ยไม่กล้าตัดต้นไม้เช่นอาจารย์ไร้มนทําให้คนไม่กล้าตัดต้นไม้นะคะก็เป็นไข้หรือว่าคลุ้มคลั่งเป็นบ้าเสียสติไปนางไม้ที่ปรากฏนะคะในภาพวาดหรือว่านิยายหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆมักจะถูกจินตนาการให้เป็นหญิงสาวสวยผมยาวสลวยประบ่าแล้วก็ยังห่มสบเฉียงด้วยนะคะทีนี้เนี่ย านางไม้ที่เป็นฝ่ายชายเราก็จะเรียกว่ารุกขาเทวดาค่ะส่วนใหญ่มักจะมีรุกขาเทวดาอยู่ประจํำที่ต้นไรหรือว่ารักษาต้นไม้ใหญ่ๆส่วนนางไม้เนี่ยจะสถิตอยู่ในต้นไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนักในหลายๆแห่งค่ะมีชาวบ้านนิยมนำผ้าแพร3ามสี7สีไปผูกให้ที่ต้นไม้หลังจากมีคนเห็นนางไม้มาปรากฏตัวอยู่ที่ต้นไม้ต้นใดในหมู่บ้านนะคะ นางไม้ในคติความเชื่อของไทยเราเนี่ยก็มีทั้งกล่าวถึงนางไม้ที่ดีแล้วก็นางไม้ที่ร้ายค่ะนางไม้ที่เป็นผู้ที่ดีก็มักจะมาปรากฏตัวในรูปแบบสวยงามมาเตือนถึงเหตุเพศภัยให้กับมนุษย์ที่ดูแลต้นไม้อย่างดีค่ะแต่ว่านางไม้ที่เป็นดั่งปีศาจร้ายก็มีนะแต่ว่าออกมาหลอกมนุษย์ผู้ชายค่ะให้หลงไหลแล้วก็เอาไปทาสามีบ้างหรือว่าฆ่าให้ตายบ้าง พูดนางไม้เนี่ยมีหลายประเภทนะฮะตามความเชื่อนางตะเคียนนางตะนีก็ถือว่าเป็นนางไม้เช่นกันหากเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่นับว่ามีคนตายโดยผูกคอกับต้นตะเคียนแล้วเกิดมีผีมีวิญญาณสิงสู่อยู่กับต้นตะเคียนนั้นอย่างนั้นไม่เรียกว่านางไม้นะคะ นางไม้ที่เป็นตะเคียนหรือว่านางไม้ประจำต้นไม้ใหญ่ว่ากันว่ามักจะดุร้ายกว่านางไม้หลายหลายประเภทค่ะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มีอายุหลายสิบหรือว่าร้อยปีแผ่กิ่งก้านสาขาลำต้นสูงใหญ่ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวน่าเกรงขามยิ่งนักในายามกลางคืน คนไทยสมัยก่อนค่ะเชื่อกันว่าต้นตะเคียนเนี่ยมีนางไม้สิงอยู่ยิ่งถ้ามียางไม้ไหลออกมาอยู่เสมอก็ยิ่งถือกันว่านางตะเคียนก็จะยิ่งเฮี้ยนหรือมีริดแรงมากแต่ว่าหากจําเป็นต้องมีการตัดต้นตะเคียนหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆผู้ตัดมักต้องทําพิธีขอค่ะเพื่อให้นางไม้ให้รู้ตัวและจะได้ย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ หากทำการตัดไปเลยโดยไม่ขอขมาก่อนคนที่ตัดต้นตะเคียนหรือว่าต้นไม้ใหญ่ก็มักจะประสบหายนะถูกลงโทษทำให้บาดเจ็บโดยร้ายสาเหตุหรือว่ามีอาการคลุ้มคลั่งเสียสติไปได้ในที่สุดค่ะในสมัยก่อนนะคะก็ยังมีความเชื่อเรื่องของนางไม้ค่ะแต่งงานกับนางไม้ก็มีเหมือนกันนะโดยเฉพาะทางภาคใต้นับว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเมืองสงขลา เกิดจากเมื่อมีใครไปไหว้บนบานขอให้นางไม้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆหากสำเร็จด้วยดีก็จะบนบานว่าจะแต่งงานกับนางไม้เป็นการสังเวยตอบแทน การแต่งงานกับนางไม้ของทางใต้นั้นมีตำนานเล่าเขาว่ามีนางไม้ปรากฏนิมิตให้เห็นหลายครั้งที่ต้นมะม่วงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งบรรดาชาวบ้านก็เลยปั้นรูปหญิงสาวขนาดเท่าคนจริงแต่งกายงดงามค่ะเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องประดับสร้างเป็นรูปเคารพไว้ที่ศาลโดยทำการก่ออิฐเล็กๆไว้ใต้โคนต้นไม้นั้นซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าแม่ม่วงทองนะคะตำนานบางเมืองค่ะ เล่าแตกต่างออกไปว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีทิดาของเจ้าเมืองนครสีธรรมราชถูกโจรจับตัวมาเพื่อปล้นแล้วก็เรียกฆ่าถ่ายระหว่างทางได้ถูกฆ่าตายพวกโจรก็นำศพไปซ่อนอยู่ในโพรงต้นมะม่วงใหญ่ต่อมาทิดาเจ้าเมืองได้แสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารให้ปรากฏหนึ่งเนืองจนชาวบ้านนับถือแล้วก็ทำการบวงสรวงบนบานกันเป็นนิด โดยที่พิธีกรรมของการบวงสวงมักจะมีการฝากตัวเป็นบุตรเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานของเจ้าแม่อีกด้วยนะคะเพื่อให้เจ้าแม่เนี่ยครุ้มครองอย่างดีนั่นเองค่ะเมื่อครอบครัวใดทำพิธีฝากตัวแล้วก็ยังต้องทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่ด้วยโดยเฉพาะเพศชายที่มีอายุครบบวชพอใกล้ก่อนบวชก็จะต้องมาทาพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่ซะก่อนจะได้ปลอดภยัยและก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดไปค่ะ แม้เมื่อทําพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่แล้วก็ตามค่ะต่อไปเมื่อศึกจากการบวชแล้วก็จะต้องเข้าพิธีแต่งงานกับหญิงอื่นตามปกติวิสัยก็ย่อมทําได้เจ้าแม่มิได้เอาผิดเอาโทษใดๆแต่ถ้าชายผู้นั้นมีบุตรคนโตเป็นผู้ชายลูกคนนั้นก็ต้องมาเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่สืบแทนบิดาด้วยถือกันว่าเป็นเรื่องที่ต้องกระทําสืบต่อกันมาจังแต่รุ่นสู่รุ่นนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนก็ต้องทํากันต่อไป แต่ถ้ารุ่นไหนมีลูกหัวปีเป็นชายแต่ว่ามีได้ทำการวิวาตามธรรมเนียมของสกุลนั้นคนรุ่นนั้นก็จะพบเจอกับอาถานต่างๆแล้วก็จะประสบพบเจอปัญหาเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนจนกว่าจะมีพิธีแต่งงานเกิดขึ้น พิธีแต่งงานของคนกับนางไม้หรือว่าเจ้าแม่นี้มีขันหมากมีเงินทองมีเครื่องบูชาต่างๆนะคะเช่นหัวหมูสุราเป็ดไก่แล้วก็ผลไม้ค่ะพิธีแต่งงานจะทำได้เฉพาะวันอังคารและก็วันเสาร์เท่านั้นผู้เป็นเจ้าบ่าวแต่งงานกายก็จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมือนเจ้าบ่าวทั่วไปในงานของมนุษย์ค่ะแต่มักจะเหน็บกรีไว้ด้วย ขบวนขันหมากก็มีโดยจะจัดกันเป็นที่คลึกครืน้นมีการรดน้ำสังแล้วก็สวดชุมนุมเทวดาบูชาเทวดาเล่ากันว่าเคยมีผู้หญิงมาบนบานแล้วสำเร็จสมหมายจึงแก้บนได้ด้วยการแต่งกายเป็นผู้ชายเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่ก็มีเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบ ร, โบราณแล้วแหละนะคะถึงเรื่องราวของการแต่งงานกับเจ้าแม่ที่จังหวัดสงขลาทางภาคใต้ค่ะ มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นตำนานประวัติของหลวงพ่อเม็ษวัดบึงกระจับสิทธิ์ครูบาสีวิชัยแล้วก็หลวงปู่คํามีนะคะย้อนเล่าเรื่องสุดระทึกค่ะในการจับพรายน้ําตัวเป็นๆ เ, เรียกว่าดิ้นดุกดิกดุก ด, กดกิฟันแหลมคมกันเลยทีเดียวพระครูวิชัยบุญสารนามเดิมบุญมีหรือว่าหลวงปู่เม็ษนะคะนามสกุลจันทร์ธรัสวนค่ะเกิดวันอังคารที่18กรกฎาคม2449นะคะ โดยเกิดที่บ้านบึงกระจับหมู่ที่100ตำบลบางแหน่อำเภอปนมสารคามจังหวัดชะเชิงเซาบิดาชื่อว่านายเฉยมารดาชื่อนางชมค่ะโดยที่หลวงปู่เองก็มีพี่น้องร่วมบิดามารดา4คนก็คือนางเหลี่ยมนะค ะ, ะนางเหลี่ยมทับมงคลในล้วนจันทรสวรรณแล้วก็พระครู ว, วิชัยบุญศารนะคะแล้วก็ในหนูจันทรสุวรรค่ะ ในวัยเด็กหลวงพ่อได้ศึกษาหาความรู้จนอ่านออกเขียนได้เมื่ออายุครบเกณฑ์ก็ได้เข้าอุปสมบทที่วัดบึงกระจับในวันที่15พฤษภาคม2469 พระสมุหะก้อยวัดมหาเจดีย์อําเภอพนมสรารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพระอุปชาค่ะเมื่อบวชแล้วก็ได้เริ่มทําการาวัดปฏิบัติฝึกการเจริญสมาธิใช้จิตภาวนาแล้วก็เรียนวิปัสสนากรรมฐานจนได้ออกทุดงขวัตเพื่อสะสแสวงหาอาจารย์แล้วก็สถานที่อันสงบวิเวกโดยท่านได้ทุดงไปทั่วทุกภาคของไทยโดยเฉพาะที่ภาคเหนือค่ะใช้เวลาอยู่นานถึง3ปีด้วยกัน แล้วก็เคยเข้าไปจำพรรษาที่วัดดอยสุเทพกับครูบาเจ้าศรีวิชยัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเพื่อศึกษาธรรมะด้านวิปัสสนากรรมฐาน จากนั้นก็ได้กระดาบลาท่านทุดงต่อกลับเข้ามาในเขตจังหวัดลบบุรีซึ่งใช้เวลาทุดงที่จังหวัดลบบุรีนี้อีก3ปีนะคะโดยได้เข้าจำพรรษาที่เขตตะพานนาคแล้วก็ถ้ำคูหาสวรรค์ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่คำมีซึ่งถือกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพระกรร ม, มฐานในสมัยนั้นจบจนกระทั่งปี2480ค่ะก็ได้รับอารัธนาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบึงกระจับ ซึ่งขณะนั้นเองก็จัดได้ว่าวัดกำลังอยู่ในช่วงต้องการผู้ดูแลและค่ะเนื่องจากทรุดทรมลงเป็นอย่างมากเมื่อท่านได้มารับตาแหน่งเจ้าอาวาสแล้วได้สร้างผลงานเอาไว้เป็นอันมากเลยท่านเป็นพระดังแต่ว่าดังแบบเงียบค่ะไม่มีนักเล่นพระมาเชียร์เพราะว่าวัตถุมงคลของท่านสร้างน้อยมากมีไม่กี่สิบรุ่นไม่มีนายทุนที่เป็นพุทธพาณิชมาจัดสร้างพระของท่าน หลวงพ่อเมตรหรือว่าหลวงพ่อบุญมีเนี่ยถ้าท่านเป็นพระไม่ดีจริงเชื่อว่าหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครคงไม่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแน่นอนค่ะโดยเฉพาะหลวงพ่อจำเนียนไปที่วัดนี้บ่อยมากเพื่อขอเรียนวิชา ในสมัยที่ท่านมีชีวิตหลวงพ่อเมต็ตก็มักได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมปลูกเสกพระเครื่องตามวัดต่างๆโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเช่นพิธีปลูกเสกพระกริ่งพุทธวิชิตมารของวัดท่าเกวียนในปีพศ2519พิธีปลูกเสกเรนนวมหาราชปี2530เป็นต้นค่ะ สำหรับวิชาลูกอมนี้นะคะนอกจากจะมีพุทธคุณทางโคงกระพันคล้าวคลาดกันเคี่ยวงาแล้วอาถรรพ์นในป่าลึกหรือว่าสถานที่ที่มีวิญญาณมากอย่างการพลายน้ําแล้วก็การสิ่งแปลกปลอมอาถรรพ์ที่ปะปนมากับสายน้ําด้วยการทําวิชาทําคุณไม่ได้ทํากันมาตามอากาศทางเดียวนะคะใครที่ว่าแน่เนี่เสร็จทางน้ํากับพวกพลายวิชาที่ทํามาทางน้ําทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อหมดสติก็จมลงน้ําขาดอากาศหายใจน้ําก็แค่คืบก็ตายได้เหมือนกัน ส่วนเรื่องพายน้ำหลวงพ่อเม็ดดังมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหนังสือพระรายเดือนหลายปีก่อนเคยเขียนประวัติท่านไว้ด้วยว่าท่านสามารถจับพรายน้ำขึ้นมาได้โดยนําสายสินที่มีดินเหนียวเป็นลูกตุ้มหย่อนลงน้ําท่านอยู่บนแพรค่ะแล้วก็ลากแพรไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายสินมีอาการเหมือนปลาติดเบ็ดเมื่อดึงขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวใสเหมือนแมงกระพรุนค่ะหน้าตาเหมือนเด็กเหียวๆมีฟันแหลมๆดิ้นไปดิ้นมา ปรากฏว่าพอเด็กที่ถูกพลายน้ำตัวนั้นเล่นงานตรงเข้ามากระทึบเละขาเท้าเลยอาการเมื่อโดนพรายน้ำทำร้ายนั่นก็คือขาจะชาไม่มีแรง จมน้ำนะคะก็เข้าใจว่าพรายน้ำพวกนี้เนี่ยจะดูดเลือดเป็นอาหารเพราะว่าใครจมน้าเสียชีวิตถ้าไม่นานตัวจะไม่ซีดค่ะแต่ถ้าโดนพรายน้ำเล่นงานค่ะว่ากันว่าเลือดเนี่ยไม่รู้ไปไหนหมดไม่มีเอาซะเลยตัวจะซีดเซียวมากทั้งที่จมน้ำไปไม่เกินชั่วโมงสาเหตุที่ท่านเชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษก็เพราะว่าหลังวัดท่านเป็นบึงค่ะชื่อว่าบึงกระจับนั่นเอง หลวงพ่อนะคะได้มรณะภาพในวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2535ซึ่งตรงกับวันขึ้น7ค่ำนะคะเวลา22นาิกา20นาทีท่านได้มรณะภาพลงอย่างสงบสริยรวมอายุได้ แปปีนับพรรษาได้ทั้งหมด67สิบเพรรษานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะคะที่ในโอกาสหน้าบีเองก็จะพยายามหาเรื่องของหลวงพ่อเมษนะคะหรือว่าหลวงพ่อบุญมีแห่งวัดบึงกระจับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณ น, นบนะคะคุณ น, นบบอกว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจหรือว่าเรื่องของวิญญาณว่าจะมีอยู่จริง แต่ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละนะฮะเพราะว่าคุณนบเองบอกว่าได้เจอกับตัวเองจังๆค่ะขอย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนล่างของจังหวัดบุรีรัมย์หมู่บ้านนี้จะห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโเมมีต้นไม้ล้อมรอบหมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วก็มีวัดเล็กๆอายุเก่าแก่พอๆกับหมู่บ้านด้วยนะคะคุณนบอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็น้องชายค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อว่าตาเด่นนะะบ้านของคุณนบกับบ้านตะเด่นเนี่ยจะอยู่ติดกัน ตาเด่นแกก็อยู่ตัวคนเดียวลูกเต้าไม่มีส่วนเมียแกเสียแล้วด้ยวยโรคประจําตัวตั้งแต่ยังสาวแกก็เลยกลายเป็นพ่อไม้มาจนถึงทุกวันนี้บุคลิกของตาเด่นแกก็จะเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดจาสูงสิงกับใครนานๆทีคุณนบกับแกก็จะได้พูดคุยกันถามสารทุกสุกดิบกันบ้างและแกก็เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งนะคะเพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะเนาะ จนเช้าวันหนึ่งค่ะมีคนบอกว่าตาเด่นแกเสียแล้วตอนนั้นคุนบตกใจมากแต่ก็คิดว่าเออเกิดแก่เจ็บใต้เป็นเรื่องธรรมดาและด้วยความที่วัดตาเด่นเนี่ยแกตัวคนเดียวผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ช่วยกันจัดงานศพเล็กๆให้ตะเด่นที่วัดของหมู่บ้านเพื่อความสะดวกโดยจะสวดสามวันแล้วก็ค่อยชาปนากิจค่ะสวดคืนแรกผ่านไปก็ผ่านไปด้วยดีนะคะไม่มีอะไรชาวบ้านก็ต่างมาช่วยงานศพตาเด่นเรื่อยๆ พอสวดคืนที่สองค่ะก็มีเหตุการณ์แปลกๆในขณะที่พระกําลังสวดอยู่อยู่ๆไฟก็เกิดดับพรึบลงไปชาวบ้านในงานร้องฮือกันขึ้นมาเลยทีเดียวคือมืดไปหมดทั้งศาลาค่ะเหลือเพียงแสงจากเทียนที่จุดอยู่หน้าศพเท่านั้นไฟดับนานเลยทีเดียวจนชาวบ้านต่างทยอยกันกลับบ้านจนหมดแต่พ่อของคุณนพเนี่ยได้วานให้คุณนพนอนเฝ้าศพเป็นเพื่อนเนนโดยที่คืนนั้นจะเหลือแค่เนนนะคะสีรูปแล้วก็ลุงสับปเปลือคนนึง แล้วก็คุณนบเท่านั้นเองคุณนบเองก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยนอนกันอยู่ที่พื้นศาลาหน้าโรงศพเลยคืนนั้นราชาราวตีหนึ่งกว่าขณะที่คุณนบกําลังกึง่งหลับกึง่งตื่นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะลงเสียงดังปังปังปงัก็งวงเงียค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าเป็นแมวของวัดมหาอะไรกินหรือเปล่าแล้วเสียงก็เงียบหายไปพักใหญ่นะคะพอกําลังจะงีบหลับลงไปอีกค่ะเสียงนั้นมันก็ดังขึ้นมาอีก ปังปังปงปงปง้นะคะคราวนี้มันดังตลอดเวลาไม่หยุดจนรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยเปิดพ่อห่มหันไปดูเห็นเป็นชายแก่หันหลังอยู่ตรงหน้าลงคุณนพก็เออลุงสับ ป, ปะเดอแกคงได้ยินเสียงเหมือนกันก็เลยเดินไปดูละมั้งแต่พอหันหน้ากลับมามองตรงที่นอนปรากฏว่าลุงสับ ป, ปะเดอแกก็ยังคงนอนอยู่ข้างๆคุณนพค่ะรวมถึงสัมมเนนอีกสรูปครบเลย จังหวะนั้นนะคะคุณนบรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีค่ะก็เลยค่อยๆดึงพ่าห่มขึ้นมาปิดจนถึงจมูกแต่ยังคงเปิดตาไว้ก็เลยอลองหันไปมองอีกครั้งก็เห็นชายแกค่คนนั้นค่อยๆหันมาแล้วคุณนบก็ต้องตกใจเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือตาเด่นค่ะถึงจะมืดไปนิดแต่จำได้แม่นเลยว่าเป็นตาเด่นเพราะว่าแสงเทียนที่จุดตรงหน้าศพมันส่องให้เห็นใบหน้าเด่นชัดมากนะคะและสิ่งที่ทําให้เขาแทบช็อกจนเกือบหมดสติคือตาเด่นแกหันมาจ้องมอง แต่ว่าตัวแกไม่ได้หันมาด้วยนี่สิคะภาพติดตาเลยค่ะรีบหันกลับมานอนคุมโปงตัวสั่นแต่เหงือท่วมตัวเลยแล้วก็รู้สึกว่าแกค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณนบเดินเข้ามาค่ะพร้อมกับได้ยินเสียงคนสวดมนต์พึมพำพึมพำอีกด้วยก็เลยตั้งสติพูดไปบอกตะเดนอย่ามาหลอกมาหลอนนบเลยนบกลัวเดี๋ยวนบจะทําบุญไปให้จากนั้นเสียงที่กําลังเดินเข้ามาก็หายไปส่วนคุณนบนั้นหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะ ตื่นมาอีกทีนึงตอนเช้าก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงสับ ป, ปเลอฟังลุงสับ ป, ปะเลอบอกว่าเมื่อคือนข้าก็เห็นไอเด่นมันมายืนอยู่หน้าโรงตั้งนานข้าเลยสวดมนต์อยู่แบบนั้นไม่กล้าปลุกเองกลัวเองจะกลัวไม่คิดว่าเองก็เห็นเหมือนข้าคุณนบคิดในใจอ๋อเสียงสวดมนต์เมื่อคือ น, คอนคือลุงสับ ป, ปะเลอนี่เอง พอเรื่องนี้รู้ไปถึงหูชาวบ้านต่างคนลุกไปตามกันค่ะจนถึงวันที่สามก็ได้ทำการชาปนากิจศพตตเดนไปเรียบร้อยและวันนั้นนะคะคุณนพเองก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับตะเดนด้วยเช่นกันค่ะ เดี๋ยวพีจะขออนุญาตทิ้งท้ายเรื่องแปลกๆนะคะจากเรื่องราวของคุณผู้ฟังทางบ้านกันค่ะเรื่องของพี่ระดิ์นะคะระดิดหัดสจันนะคะถ้าหากว่าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยส่งเข้ามาทางแฟนเพจใน Facebook นะคะพระเจอผีบอกสวัสดีครับมีประสบการณ์อยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงของผมเองตอนอายุประมาณสัก8ปีอยู่ปอสองเนาะ ตอนนี้ผมอายุ30ปีครับขอเริ่มเรื่องเลยละกันผมเป็นคนจังหวัดกาลสินอยู่บ้านกับตายายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีก4คนรวมทั้งบ้านนี้ก็จะมีอยู่4คนบ้านเป็นบ้าน2ชั้นนะคะก็ข้างบนน่าจะเป็นไม้ข้างล่างน่าจะเป็นปูนประมาณนี้แหละนะคะวันเกิดเรื่องเนี่ยคือตากับยายเป็นคนที่นอนกรนเสียงดังมากแล้วก็วันเกิดเรื่องก็เข้านอนกันตามปกติแต่ว่า นะฮะผมหนีขึ้นไปนอนชั้นบนซึ่งชั้นบนเป็นไม้นะครับตายายลูกพี่ลูกน้องนอนด้วยกันที่ชั้นล่างแต่ว่าวันนี้ผมดันไม่เอาพัดลมขึ้นไปเปิดร้อนมากแต่ดันคุมโปรงนอนทีนี้บ้านชั้นบนนี่จะมีชานที่โล่งๆไม่มีอะไรมามุงค่ะโล่งเลยก็นอนริมริมชานชั้นสองบนบ้านมีห้องที่กั้นไว้ด้วยคืนนั้น ต้องบอกว่าภาษาบ้านาเขาเรียกเดือนไห่ก็คงจะเข้าใจเดือนไห่คือเดือนคืนวันเพนเน่ น, นะคะด้วยความที่มันร้อนก็เลยตื่นตั้งแต่ตื่นตื่นแล้วก็นอนเล่นไปเรื่อยๆนะะแต่ว่ายังนอนไม่หลับแสงจากดวงจันทร์ก็สว่างมากสาดเข้ามาจนเห็นทุกอย่างอยู่ชั้น2นอนเล่นไปสักพักหนึ่งก็ประมาณตีหนึ่งค่ะคุมโปงอยู่ก็ลืมบอกว่าวันนั้นเนี่ยวันที่นอนเนี่ยคือนอนที่นอนปิกนิกมันก็บางๆเวลาคนเดินเนี่ยก็จะรู้สึกตัว ก็เลยนอนฟังอยู่เกือบ20นาทีคือเดินสะเทือนทางบ้านเป็นนึกในใจว่าเอ๊ไม่ตาก็ยายขึ้นมาดูผมแน่แต่ว่าลึกก็คิดว่าทำไมท่านเดินวนดูนานจังก็เลยตะโกนถามออกไปบอกว่าตาย้ายเรียกซ้ำอยู่ 3-4 มสครั้งก็เงียบแต่ว่าตอนตะโกนถามเนี่ยนะคะคือเจ้าของเรื่องคุณระดิตเนี่ยนะคะบอกว่าอ่า ตอนที่ตะโกนถามนี่คือนอนคุมโปองอยู่นะสักพักหนึ่งอย่างที่บอกตอนแรกคือตายายนอนกรนเสียงดังมากทั้งเสียงกรนตากับยายคือประสานขึ้นพร้อมกันก็คิดว่าถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องมันคงไม่ขึ้นมาเล่นเป็นแน่เพราะว่ามันอายุเท่ากันกันกบผมเป็นผู้หญิงแน่ใจก็คิดว่าแล้วใครว่าเดินบนบ น, บนบ้านสั่นไปหมดตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งเต็มเต็มเลยค่ะเป็นเงาผู้ชายตัวดำๆผมผอมหัวเกรียนสูงประมาณ160นี่แหละ ด้วยวันนั้นที่บอกคืนเดือนหงายพอดีคือเห็นชัดเจนมากเต็มๆสาบานได้ยืนตรงปลายเท้ายืนนิ่งมองแบบไม่กระดิกเลยเห็นเป็นตัวตัวเลยแต่แค่ไม่เห็นหน้าเท่านั้นเองก็เลยต้องรีบนอนลงคุมโป่งต่อแบบร้อนไม่มีพัดลมเปิดนะคะทั้งกลั้นใจร้องไห้ไปด้วยกลัวค่ะจนไม่กล้าแหกปากหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นเช้ามารีบไปถามตากับยายดูว่าเมื่อคืนได้ขึ้นไปดูผมไหมพอท่านตอบว่ากูบ่ได้ขึ้นไปได้ละ่ะผมนี่อึ้งเลย ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังยายเลยเล่าให้ฟังว่าในห้องที่กั้นไว้ชั้นสองเนี่ยยายตัดเศจเล็บกับปล่อยผมตาทวดไว้ในห้องท่านอาจจะมาดูแลเหลนก็ได้มัง้งโอ้โหคุณผู้ฟังพอได้ยินแค่นี้แหละถึงกับร้องจักกันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่นั้นมาค่ะบอกว่าผมไม่ขึ้นไปเหยียบบนชั้นสองอีกเลยเวลาดูทีวีคนเดียวชั้นล่างก็มักจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินชั้นบนก็หลอดเหมือนกันนะ แต่ว่าพอโตขึ้นมาเรื่อยๆก็มาเรียนที่กรุงเทพปิดเทอมกลับบ้านก็พึ่งไปนอนแต่ก็ไม่เจออะไรอีกก็เคยเล่าให้แม่ให้นะ้าให้ลุงฟังท่านก็เชื่อเพราะว่าลุงก็เคยเจอแล้วก็ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทุกประการแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะเรียบเรียงไม่เก่งเท่าไหร่นะคะสวัสดีครับหวังว่าคุณบีจะอ่านนะครับ จะรอฟังแบบเรียบเรียงดีๆขอบพระคุณมากค่ะสําหรับเรื่องราวที่ส่งเข้ามาให้กับบีได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังประจําวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็หมดเวลาของพระเจอผีเราด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังและคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องเล่ามานะอยากจะให้เรามาพูดให้กับคุณผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านได้ฟังก็เขียนแล้วก็ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ในแฟนเพจบน Facebook พระเจอผีได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ